ธรรมบทแปลเรื่องนางลาชะเทวทิดาภาคที่ห้าเรื่องที่เก้าสิบเจ็ดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารอนางลาชะเทวทิดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปุญญเจปุริโสกยิรา กยิราเทนังปุณปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปัญสญสะอุจโยแปลว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุขเรื่องนี้ เกิดขึ้นแล้วในเมืองราชกฤตความพิสดารว่าท่านพระมหากัสสปะอยู่ที่ปีปะพลิกูหาเข้าฌานแล้วออกในวันที่เจ็ดตรุดูที่เที่ยวไปเพื่อพิษาด้วยทิพยจักสุเห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสาลี ทำเข้าตอกอยู่พิจารณาว่าหญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนาก็รู้ว่าเธอมีศรัทธาจึงไครกรวนต่อไปว่าเธอจกอาจเพื่อทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนาก็รู้ว่ากุลธิดาเป็นหญิงแกล้วกล้าจะทำการสงเคราะห์เราก็าแล รั้นทการสงเคราะห์แล้วจะได้สมบัติเป็นอันมากพระเทระจึงครองจีวรถือบาทได้ยืนอยู่ที่ใกล้นาเก้าสาลีกุลธิดาพอเห็นพระเทระก็มีจิตเลื่อมใสมีสรีระอันปีติห้าอย่างถูกต้องแล้วกล่าวว่า นิมนต์ท่านหยุดก่อนเจ้าข้าเธอได้ถือข้าวตอกไปโดยเร็วเกลียลงในบาทของพระเตระแล้วไหว้ด้วยเบญจางขประดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าขอได้ฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วตอนจิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์ พระเจระได้ทำการอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสาเร็จดังนี้ฝ่ายนางไหว้พระเจระแล้วป่างนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วก็เดินกลับไปก็ในหนทางที่นางเดินไปบนคันนามีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งงูไม่อาจกบ แข่งพระเทระอันปกปิดด้วยผ้ากาสายาได้นางพลางระลึกถึงทานกลับไปถึงที่นั้นงูเลื้อยออกจากรูกัดนางให้ล้มลงนะที่นั่นเองนางมีจิตเลื่อมใสทำกาลาแล้วไปเกิดในวิมานทองประมาณสามสิบโยตในภพดาวดึง มีอัตป้าประมาณสามกาวุฒประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นตอนวิธีธรรม ท, ทิพยสมบัติให้ตาบอล น, นางนุ่งผ้าทิพ ป, ประมาณส2สองอกปืนหนึ่งหมปืนหนึ่งแวดล้อมด้วยนางอับสอนตั้งพันเปื่อประกาศบุรพกรรมจึงยืนอยู่ที่ประตูวิมาน อันประดับด้วยขันตองคำเต็มด้วยข้าวตอกทองคำให้ระยะอยู่เธอตรวจดูสมบัติของตนใกรกรวนด้วยทิพยะจากสูว่าเราทํากรรมสิ่งไรเนาะจึงได้สมบัตินี้ได้รู้ว่าสมบัตินี้เพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ามาหากาสปะเทระนางคิดว่า เราได้สมบัติเห็นบัด น, นี้เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างนี้บัดนี้เราไม่ควรประมาทเราจะทาวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัตินี้ให้ถาวอนางจึงถือไม้กวาดและกระเชา้าสำหรับเทมูลฝอยสำเร็จด้วยทองไปกวาดบริเวณของพระเถระแล้วตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่ พระเทระเห็นเช่นนั้นสำคัญว่าจะเป็นวัดที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปทรรก็แม้ในวันที่สองนางก็ทำอย่างนั้นอีกฝ่ายพระเทระก็สำคัญเช่นนั้นเหมือนกันแต่ในวันที่3พระเทระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางและเห็นแสงสว่างแห่งสรีระ ชายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาแล้วถามว่าใครนั่นกานอยู่นางเวทวดาท่านผู้เจริญดิฉันเองเป็นอุปตายิกาของท่านชื่อลาช้าเทวทดาพระเถระก็อันอุปตายิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนไม่มีนางเทพิดาท่านเจ้าข้า ดิฉันผู้รักษานาข้าวสาลีถวายข้าวตอกแล้วมีจิตเลื่อมใสกำลังกลับไปถูกงูกัดทำกาละแล้วบังเกิดในเถวโลกชั้นดาวดึงท่านเจ้ขาข่าดิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้พระอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคง จึงได้มาพระเถระก็ทั้งหวานนี้ทั้งหวานสื่อ น, นี้เจ้าคนเดียวกว่าที่นี่เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไวหรือนางเทพิดาอย่างนั้นเจ้าข้าพระเถระเธอจงหลีไปเสียนางเทพิดาวัดที่เจ้าทำแล้วจงเป็นอันทำแล้วตั้งแต่นี้ไป เจ้าอย่าได้มาที่นี่อีกนางเทวิดาอย่าให้ดิฉันได้ชิบหายเลยเจ้าค่ะกอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัดแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิดพระเทระจงหลีกไปนางเทวธิดาเจ้าอย่าทำให้เราถูพระธรรมกริตติทั้งหลายผู้นั่งจับพัดหันวิจิตกล่าวในอนาคตว่า ได้ยินว่านางเทวทิดาผู้หนึ่งมาทำวัดปฏิบัติเข้าไปตั้งน้าฉันน้ำใช้เพื่อพระมหากัะสปะดันงนี้แต่นี้ไปเจ้าอย่ามานะที่นี้เจ้าจงกลับไปเสียนางเทพทิดานั้นจึงอ้อนวอนซ้าแล้วซ้ำเล่าว่าขอท่านอย่าให้ดิฉั น, นชิบหายเช่นเลยเจ้ค่ะพระเจระมีความคิดว่า นางเทวติดานี้ไม่เชื่อฟังไตคมของเราจึงดีดนิ้วมือแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้านางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้จึงหอกขึ้นในอากาศประกรอัญชลียืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในอากาศว่าทานจุก้าอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วชิบหายเลย จงให้เพื่อทำให้มันคงเธอตอนบุญให้เกิดสุขในภพทั้งสองพระศาสดานั่งในพระคันธกุฎีนั่นเองทรงสดับเสียงนางเทวทิดา น, นร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีดุจประทับนั่งตรัสอยู่ในที่เฉพาะหน้าของนางเทวทิดาแล้วตรัสว่า เทว ด, ทดาการทําความสังวร น, นั่นแลเป็นดุระของกัสปะผู้บุตรของเราแต่การกําหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของตนแล้วมุ่งกระทาแต่บุญย่อมเป็นดุระของผู้มีความต้องการด้วยบุญโดวยว่าการทําบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนี้ ก็เมื่อจะส่งสื่อบนุษน์ที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคถานี้ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขบาลีว่าปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเถนังปุนับปุนัง ตัมหิฉันทงังกยิราตะสุโขปุญญาสะอุจโยก็เหนือความแห่งพระกตานั้นถ้าบุคคลพึงทำบุญใจไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่าเราทำบุญครั้งเดียวแล้วพอละด้วยบุญเพียงเท่านี้แต่พึงทำบุญบ่อยๆแม้ในกระดาทำบุญนั้น พึงทำความพอใจคือความชอบใจได้แก่ความมุสาในบุญนั่นแหละถามว่าเพราะเหตุไรวิจารนาว่าเพระาะความสังสมบุญให้เกิดสุขอธิบายว่าเพระาะความสังสมคือความพอกปูนบุ ญ, บญชื่อว่าให้เกิดสุขเพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ในโลกนี้ และโลกหน้าในการจบเทสนานางเทวทิดานันยืนอยู่ในที่สุดทาง45โยชนั่นแหละได้บรรลุโซดาปฏิผลแล้วนั่นนี่แหละเรื่องนางลาชะเทวทิดา